มันก็ต้องมีความรู้สึกตัวไปทางหนึ่งความหลงตัวก็ไปทางหนึ่งอารรมย่อมนำไปนรกทำย่อมนำไม่เสืงสุกติีมันก็เป็นอย่างนี้เกิดมาดีๆเปิดเพื่อนหมดเลยอย่างพระอินทร์ทดลองใจของคนนิทานทำเอามาสีตารสุกลงมาให้คนดูสวยงามบริสุทธิ์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 ความเปินเครียดเกินไปเกงจังจนเกินไปเรื่องง่ายง่ายก็เป็นเรื่องยากเอาแจ้งความหลงความกดความถุกมันไม่ยากไม่ต้องไปอดทนอดกนไม่ต้องไปดุไปด่ามไม่ต้องไปแสดงง่ายง่ายมาหนักให้เป็นเบาเบามองดูแบบเห็นให้เข้าไปเป็นกบบับอาการอะไรมันเบาๆบา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 เราก็กระทบกระเทือนต่อสิ่งต่างๆมากมายปุรีก็เอามาสูบเล่าก็ออกมาจิบ น, นั้นคณังไหนคนเราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมาจะเป็นอะไรมันต้องเป็นเปรตเป็ น, ป น, ปนสัตว์โลกแน่นอนถ้าเราปฏิบัติธรรมันก็ไปสวรรค์นิพพานแน่นอนอมิมสัตว์ประเภทใดถึงมากผลนิพพานได้นอกจากคนเราตอนนี้แหละาการปฏิบัติการสอนต่อยางการ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 หนาเขามาเล็งกัดหางูกัดแล้วกัดเด็กกัดแล้วก็เด็กล่องแคะแคะแคะแคะงูก็คาบหนูมันก็ปล่อยให้กระแต่กัดทั้งมาอยู่แล้มันก็เจ็บปลายข้างหล่เขาวางหนูพอวางหนูหนูก็คลานออกไปมามาช่วยกระแตพองงูก็มาช่วยกระแตหนูก็คานไป งูจะตามหนูไปกัดแต่กัดทั้งวัแกัดกัดกัดกัดไปตาดูอย่างใส่ใจผ <laughs> นที่สุดงูตัวนั่นเน่ะไม่ไปตามหนูเลยมาสู้กับแต่เมื่อไรงูจะเลื่อยไปกระแต่กตัดทังว่าหนูตอนนั้นก็เลื่อยไปเข้ากอไผ่กอดไผ่งูตัวนั้นตัวใหญ่ต้องขอดยอมอำนาจของกระแต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 มังก็ทำเหตุนั้นปัญหาใดก็แก้จากนั้นเพราะมันไม่แช่อยู่ที่อื่นใจเป็นทุกข์ก็เอาใจไม่เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ก็เอากายไม่เป็นทุกข์เรื่องบุลีเลยมันติดเหลอก็ไม่สูบสเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบมังก็ไปอย่างนั้ก็อยากจึงสูบพสูบจึงติด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 เร า, าอยู่ในวัดเนี่ยอยู่ในที่เนี่ยมีคนช่วยเหลือเรานำเข้าวปลาอาหารมาให้เราเราก็สะดวกถ้าเราเป็นโจนไ ป, ป็นผู้ร้ายใครจะช่วยเราคนทำความดีล้วก็มีคนช่วยเหลือจากพระสงฆ์เนี่ยไปหาหมอก็ไม่้เสียงเงินเขียทองเพราะประเทศไทยถ้าประเทศอืน่นได้ได้ต้องเสียงเงิน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 ไปสอนคนเรากาลังนั่งสอนธรรมะอยู่มี่พระไปจากไหนไม่รู้ไปป้อนป้อนแป้ น, นเอาพ้าออกมาให้ควารู้ไปหาแจกรพราหมุดอ้ะทุสะทุซะุเร า, า, าของเสื้อของไปได้เลยตอนหลงพ่อสอนท่ยกมือจังห่ะหนีจากหลวงตาก่อนไปแจกควา